จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสอุบาศิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ก้าตุลาคมพุทธศักราชสองันห้ารอยห้าสิบเก้าเป็นวันพระวันธรร ม, มบสวนรณวันฟังธรรมวันที่พระบรมศาสดา พระอรันตสามมาสามพุทธเจ้าที่พวกเรากราบไหวบูชาเคารพนับถือได้ส่งกำหนดให้สาธุชนพุทธบรยสัตว์ให้ปล่อยวางภารกิจการงานต่างๆทางโลกทางปากท้องแล้วให้มาทำภารกิจทางจิตใจเพราะจิตใจ ก็เป็นส่วนที่สำคัญเอกส่วนหนึ่งของชีวิตและสำคัญกว่าร่างกายเพราะว่าจิตใจไม่มีวันตายไม่เหมือนกับร่างกายที่จะต้องตายไปเมื่อถึงวัยอันสมควรแต่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจยังต้องเดินทางต่อไปการมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็เป็นเหมือนกับการ แวะจอตามสถานีบริการเพื่อเติมน้ำมันเติมเสบียงอะไรต่างๆเพื่อที่จะได้เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง<ม>ที่<ม>พวกเราต้องการจะไปกันจุดหมายปลายทางของชีวิตจิตใจของพวกเรา<ม>ก็คือการหลุดพ้นหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเอง ตอนนี้จิตใจของพวกเรายังหลงเวียนไหวาตายเกิดในตายพบมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาเป็นสัตว์ชนิดต่างๆบางทีก็ไปเป็นเดรัจฉานบางทีก็ไปเป็นเปรตบางทีก็ไปตกนรกบางทีก็ไปเป็นมนุษย์บางทีก็ไปสวรรค์เป็นเทวดาเป็นพรหมบางที ก็ได้ไปพระนิพพานาการจะไปพระนิพพานนั้นจะต้องมีพระพุทธศาสนามาเป็นผู้บอกทางถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาพวกเราก็จะไม่สามารถไปถึงพระนิพพานได้ไม่สามารถที่จะหลุดออกจากวัตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ชาตินี้เป็นชาติสำคัญของพวกเรา เพราะเป็นชาติที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่นานๆจะปรากฏขึ้นมาในโลกสักครั้งหนึ่งมาเป็นที่พึ่งมาเป็นแสงสว่างนำทางให้แก่สรรโลกผู้ที่มีความปรารถนาที่จะหลุดออกจากการเกิดแก่เจ็บตาย mm hmm. ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาเป็นผู้สอนมาเป็นผู้บอกทาง สัตโลกทั้งหลายอย่างพวกเราจะไม่สามารถที่จะหาทางที่จะพาให้เราได้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้เลยดังนั้นชาตินี้จึงเป็นชาติที่วิเศษเป็นชาติที่ประเสริฐเป็นโชคอันยิ่งใหญ่ที่พวกเราได้มาพบที่พวกเราไม่ควรที่จะปล่อยให้หลุดมือไปการที่จะไม่ปล่อยให้หลุดมือ ก็คือเราต้องเข้าหาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องศึกษาว่าพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราปฏิบัติกันอย่างไรเพื่อที่พวกเราจะได้ไปถึงพระนิพพานกันไปถึงที่ที่เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปไปถึงที่ที่มีแต่ความสุขที่เรียกว่าบรมสุขนิพพานังบาลมังสุขขัง คำว่านิบานำปรามังสุขขังก็คือใจที่ได้ไปถึงความสุขอันที่แท้จริงความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดความสุขที่ไม่มีความทุกมาเจือปนความสุขที่พวกเรามีกันตอนนี้เป็นความสุขที่มีความสุขผสมมาได้อะไรมาก็สุขแล้วเดี๋ยวก็ต้องทุกข์กับสิ่งที่เราได้มา ได้ร่างกายมาก็สุขกับตอนที่ร่างกายมีกำลังวังชาเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่พอร่างกายแก่เจ็บตายร่างกายที่เคยให้ความสุขเราก็กลายเป็นร่างกายที่จะให้ความทุกข์กับเรานี่คือความสุขที่พวกเราได้พบ ก, กันในขณะที่เราไปเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆจึงไม่เป็น พบชาติที่น่าปรารถนาที่น่าจะมาเกิดกันเพราะเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันไม่ว่าจะเกิดมาร่ำรวยขนาดไหนเป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนก็หนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายหนีไม่พ้นความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายเพราะความร่ำรวยหรือความเป็นใหญ่เป็นโต ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้การที่จะดับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้ต้องเกิดจากการไม่มาเกิดเท่านั้นถ้าไม่มาเกิดก็จะไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายและการจะไม่มาเกิดได้ก็จะต้องมีพระพุทธเจ้ามาตารัสรู้วิธีทำให้เราไม่ต้องมาเกิดกัน เมื่อพระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบวิธีที่ทำให้พวกเราไม่ต้องมาเกิดกันแล้วพระพุทธเจ้าก็เมตตาเอาวิธีที่ได้ส่งค้นพบนี้มาแบ่งให้กับพวกเรามาสอนพวกเราโดยไม่คิดเงินทองเลยหนะ้าตาบาทเดียววิธีที่พระเจ้าทรงรู้นี้เป็นประโยชน์กับชีวิตของพวกเราอย่างมากมีคุณค่า มากกว่าเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านแต่พระพุทธเจ้ากับไม่คิดเงินทองกับพวกเราเลยแม้แต่บาทเดียวเพราะพระพุทธเจ้านั้นทรงมีเงินทองเต็มอยู่ในหัวใจแล้วพระนิพพานานี้เป็นเหมือนคลังของเงินทองผู้ไปถึงพระนิพพานนี้เป็นเหมือนมหาเศรษฐีของโลกอันดับหนึ่ง มีเงินทองไว้เก็บไว้ใช้สอยได้ไปตลอดไม่มีวันหมดเพราะพุทธเจ้าจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาเก็บเงินเก็บทองจากพวกเราเวลาที่ทรงสแสดงธรรมให้กับพวกเราทรงให้รมเป็นธรรมทานเพราะการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงให้อะไรก็สู้ให้ธรรมะไม่ได้ เพราะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจะไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ใจของพวกเราได้จะไม่สามารถดึงใจของพวกเราให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้มีธรรมะของพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะสามารถดับความทุกข์ใจต่างๆสามารถดึงใจของเราให้ได้หลุดออกจากการเกิดแก่เจ็บตาย ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือพระเมตตาอันใหญ่หลวงของพระพุทธเจ้าที่มีต่อสัตว์โลกและสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็เป็นสิ่งที่พวกเราสามารถเชื่อได้อย่างตายใจเลยว่าเป็นความจริงเพราะไม่มีสาเหตุันใดที่พระพุทธเจ้าจะต้องมาหลอกลวงพวกเราเพราะพระพุทธเจ้าไม่ต้องการอะไรจากพวกเรา ถ้าเป็นคนอื่นถ้าเขาอยากจะได้ของจากเราบางทีเขาก็ต้องมาหลอกเรามาโกหกเราเช่นพวกหมอดูที่เราไปหากันนี่เขาหลอกเราโดยที่เราไม่รู้ตัวกันความจริงเขาไม่บอกเราเพราะเขารู้ว่าเราไม่ชอบความจริงกันแต่พระพุทธเจ้านี้รู้ความจริงพระพุทธเจ้าบอกความจริงให้กับพวกเราเพราะพระพุทธเจ้าไม่ต้องการอะไรจากพวกเรา ความจริงที่พวกเราไม่อยากรู้กันคืออะไรก็คืออนาคตของพวกเราว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเรากลับไปชอบไปหาหมอดูให้หลอกเราว่าเดี๋ยวเราจะรวยเดี๋ยวเราจะมีแฟนเดี๋ยวเราจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้กันอันนี้เป็นของปลอมทั้งนั้นคําโกหกทั้งนั้นเพราะว่าต่อให้เราได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็ตาม เดี๋ยวเราตายไปก็หมดไปเอาอะไรไปไม่ได้เลยงั้นอย่าไปหาหมอดูให้เสียเวลาอย่าไปให้หมอดูเขาโกหกให้เราเสียเงินเสียทองคนบอกความจริงกับเราโดยไม่คิดเงินทองเรากับไม่เชื่อกันไม่เข้าหากันเพราะความจริงนี้มันทำให้จิตใจเราไม่สบายพอเราคิดถึงอนาคตของเราว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เราก็จะเกิดความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาเราจรึงไม่อยากจะมาฟังเทศฟังธรรมกันแต่ถ้าเราทำใจให้กล้าๆไว้แล้วพยายามฟังเทศฟังธรรมไปเราจะได้รับประโยชน์จากความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเช่นพระพุทธเจ้าจะทรงสอนว่าร่างกายที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี้ความจริงมันไม่ได้เป็นตัวเรามันไม่ได้เป็นของเรา มันเป็นของดินน้ำลมไฟเราได้ร่างกายมานี้จากดินน้ำลมไฟอาหารที่เรารับประทานเข้าไปก็เป็นดินข้าวนี่มาจากไหนผักนี่มาจากไหนผักก็ต้องมีดินมีน้ามีลมมีไฟผสมกันจึงทำให้เกิดเป็นข้าวเป็นผักขึ้นมาพอเรากินเข้าไปในร่างกายของพวกเราก็กลายเป็นผมขนเล็บฟัน หนังเนื้อเอ็นกระดูกต่างๆแล้วพอร่างกายนี้หยุดหายใจดินน้ำลมไฟในร่างกายก็จะแยกทางกันไปน้ำที่อยู่ในร่างกายก็จะไหลออกมาลมที่มีอยู่ในร่างกายก็จะระเหยออกมาไฟที่มีอยู่ในร่างกายก็จะหายไปร่างกายของคนตายจึงไม่เหมือนร่างกายของคนเป็นร่างกายของคนตายนี่เย็นเฉียบ เพราะไม่มีธาตุไฟธาตุไฟได้ออกจากร่างไปแล้วปล่อยทิ้งไว้ก็จะเหลือแต่ธาตุดินส่วนที่เป็นแข็งต่อไปก็จะผุจะเปื่อยแล้วก็จะกลายเป็นดินไปหรือถ้าเอาไปเผาก็จะกลายเป็นขี่เท่าเป็นเศษกระดูกไปนี่คือร่างกายที่พวกเราได้มาจากพ่อจากแม่แต่มันไม่ได้เป็นตัวเราเราเป็นผู้รับ ร่างกายนี้มาผู้รับกับร่างกายนี้จะเป็นคนเดียวกันได้อย่างไรเวลาคนให้ของขวัญเราเรารับของขวัญมาเราเป็นของขวัญขึ้นมาหรือเปล่าของขวัญก็เป็นของขวัญเราผู้รับของขวัญก็เป็นอีกคนหนึ่งเป็นผู้รับฉันใดเราที่มารับร่างกายจากพ่อแม่ของเราก็ไม่ได้เป็นร่างกายเพราะร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนของขวัญ ที่พ่อแม่ให้เรามานั่นเองนี่คือวิธีที่จะทำให้เราไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายถ้าเรารู้ว่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็นตัวเราของเราถ้าเราไม่ได้มาฟังคำสอนของพ่อพระพเจ้าเราจะคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราแต่ถ้าเรามาฟังธรรมแล้วเราก็จะได้รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา เป็นของขวัญที่พ่อแม่ให้เรามาเหมือนกับเวลามีใครเขาเอาของขวัญมาให้เราเราจะกลายเป็นของขวัญขึ้นมาเลยหรือเปล่าของขวัญกับเราเป็นเป็นสิ่งเดียวกันหรือเปล่าเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าผู้รับกับของขวัญนี้เป็นอันเดียวกันหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้เพราะผู้รับก็เป็นผู้รับของขวัญก็เป็นของขวัญพวกเราก็เหมือนกันพวกเราคือผู้รับ ผู้รับนี้คือใจใจผู้คิดผู้รู้อะไรต่างๆนี้คือใจพอได้รับร่างกายมาก็เลยใช้ร่างกายนี้มารับใช้เราเราอยากจะไปไหนเราก็ต้องใช้ร่างกายพาเราไปเราอยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ต้องเอาร่างกายนี้พาไปพาไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสอะไรต่างๆ นี่คือตัวเรากับร่างกายของเราเป็นคนละตัวกันดังนั้นเราไม่ต้องไปกลัวความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราะว่าเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายที่เราทุกข์กันเพราะว่าเรายังต้องอาศัยร่างกายนี้เองเพราะว่าถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็จะไม่สามารถทำอะไรต่างๆอย่างที่เรากำลังทำกันอยู่ในขณะนี้ได้ เวลาไม่มีร่างกายจะไปเที่ยวก็ไปไม่ได้เวลาจะไปมีแฟนก็มีไม่ได้เวลาจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ทำไม่ได้เราจึงต้องพึ่งร่างกายเราจึงกลัวร่างกายจะจากเราไปเราไม่อยากให้ร่างกายจากเราไปเราจึงทุกกับความแก่ความเจ็บความตายเพราะเรายังต้องการที่จะมีร่างกายอยู่ พระพุทธเจ้าฉลาดท่านสอนให้เราสามารถอยู่ได้มีความสุขได้โดยไม่ต้องใช้ร่างกายถ้าเรามีความสุขโดยที่เราไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็ไม่เดือดร้อนเวลาที่เราไม่มีร่างกายเพราะว่าเรายังสามารถหาความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายวิธีที่จะทําให้พวกเรานี่สามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้อง มีร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายก็คือการฝึกหัดทำใจของเราให้สงบที่เรียกว่าการนั่งสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิทาใจให้สงบได้เราจะมีความสุขโดยที่เราไม่ต้องใช้ร่างกายและเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้รับจากการใช้ร่างกายเมื่อเรามีความสุขที่ดีกว่า เรื่องอะไรที่เราจะไปหาความสุขที่เลวกว่าเหมือนกับถ้าเราได้ของที่ดีกว่าเราจะไปใช้ของที่ไม่ดีกว่าทําไมเช่นถ้าเราได้ iPhone รุ่นใหม่มาเราจะเก็บ iPhone รุ่นเก่าไว้หรือเปล่าเราก็ให้คนอื่นไปเราใช้รุ่นใหม่ดีกว่าฉันใดถ้าเราได้ความสุขทางใจที่ดีกว่าความสุขทางร่างกายเราก็ไม่ต้องใช้ความสุขทางร่างกายต่อไป อันนี้คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบวิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็คือให้เราเลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกันแล้วให้เรามาใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสร้างความสุขให้กับใจของพวกเราธรรมะที่จะสร้างความสุขให้กับใจของพวกเรานี้เรียกว่าสติ สติก็คือการะระลึกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเช่นถ้าเราคิดอยู่กับพุทโธพุทโธไปเรื่อยเราจะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้แล้วถ้าเราไม่คิดต่อไปใจก็จะนิ่งจะสงบพอสงบแล้วความสุขที่เกิดจากความสงบจะจะปรากฏขึ้นมาจะทำให้เรามีความสุข ยิ่งกว่าการที่เราได้ไปหาความสุขทางร่างกายของเราก็เหมือนกับเราได้โทรศัพท์รุ่นใหม่มาพอเราได้รุ่นใหม่มาที่ดีกว่ารุ่นเก่ารุ่นเก่าเราก็ยกให้คนอื่นไปได้ยกให้สับเปล่ไปได้ต่อไปร่างกายนี้เราก็จะต้องยกให้สับเปล่ไปเพราะมันไม่ได้เป็นของเราสับเปล่าก็จะได้เอาไปแยกให้มันกลับคืนสู่ดินน้ำนมไฟไป ส่วนเราเราก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่เพราะเรามีความสุขอันใหม่ที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากร่างกายเราจึงต้องมาศึกษาวิธีที่จะสร้างความสุขทางใจกันพระพุทธเจ้าบอกว่าวิธีจะสร้างความสุขทางใจเราต้องเลิกหาความสุขทางร่างกายเช่นการเอาเงินทองไปซื้อความสุขต่างๆอันนี้เป็นการ ซื้อความสุขทางร่างกายอย่าทำแบบนี้เพราะมันจะทำให้เราต้องพึ่งร่างกายไปไม่มีวันสิ้นสุดแล้วจะทำให้เราต้องทุกเวลาที่ร่างกายไม่สามารถทำตามที่เราต้องการให้ทำได้ mm hmm. เราจะอย่าใช้เงินไปซื้อความสุขทางร่างกายกันให้เอาเงินมาซื้อความสุขทางใจกันด้วยการมาทำบุญ mm hmm. เวลาที่เราเอาเงินทองมาทาบุญนี้ เราจะได้รับความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้รับจากการไปซื้อของต่างๆที่ไม่จำเป็นเช่นไปซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่มากับการเอาเงินนี้ไปทำบุญนี้ความสุขจะต่างกันเพราะความสุขที่ได้จากการซื้อโทรศัพท์นี้มันได้เดี๋ยวๆพอซื้อมาไม่กี่วันมันก็หายไปแล้วแต่ความสุขที่เราเอาเงินนี้ไปทาบุญ เวลาที่เราคิดถึงมันทีไรเราก็ยังมีความสุขใจอยู่และเป็นความสุขที่เย็นเป็นความสุขที่อิ่มไม่ได้ทำให้เกิดความหิวเหมือนกับความสุขที่ได้จากการซื้อของต่างๆเพราะเวลาซื้อของมาได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมีความหิวอยากจะซื้อของใหม่ความสุขที่ได้จากของที่เราซื้อมาก็หายไปความหิวความอยากได้ของใหม่ก็จะมาแทนที่ ทำให้เราต้องซื้ออยู่เรื่อยๆซื้อเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแล้วจะทําให้เราต้องเดือดร้อนเพราะต่อไปเงินทองจะไม่พอใช้แล้วเราก็จะไปรบกวนคนอื่นไปขอเงินคนอื่นไปยืมเงินคนอื่นหรือดีไม่ดีก็ไปลักเงินของคนอื่นมาใช้เพราะเราใช้เงินไปในทางที่ทําให้ใจเราหิวโหวยไม่ได้ทาให้ใจเราอิ่มแต่ถ้าเราเอาเงินนี้มาทาบุญ มันจะทำให้ใจเราอิ่มจะทำให้เราไม่อยากซื้อของต่างๆที่ไม่จำเป็นจะทำให้เราไม่อยากใช้เงินไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆถ้าเรามีเงินจะทำให้เราอยากจะทำแต่บุญอย่างเดียวเพราะการทำบุญนี้เป็นเหมือนกับการซื้ออาหารให้กับร่างกายนี่เองการซื้ออาหารกับซื้อยาเสพติดนี้อันไหนเป็นคุณอันไหนเป็นโทษ ซื้อยาเสพติดร่างกายก็ไม่อิ่มร่างกายก็หิวผอมโซแล้วก็หิวยาเสพติดอยู่เรื่อยๆต้องเสพอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าไม่ซื้อยาเสพติดเอาเงินนี้ไปซื้ออาหารให้ร่างกายร่างกายก็จะอิ่มจะมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อยาเสพติดมาเสพฉันใดใจของเราก็เป็นเหมือนร่างกายการเอาเงินมาทําบุญนี่ก็เป็นเหมือนกับการมาซื้ออาหารให้กับใจ ทำให้ใจเรามีความอิ่มความสุขความพอทำให้เราไม่อยากที่จะซื้ออะไรไม่อยากจะไปเที่ยวไม่อยากไปทำอะไรแต่ถ้าเราเอาเงินนี้ไปซื้อของที่ไม่จาเป็นเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยเอาไปซื้อของตามความอยากมันจะทำให้เราหิวอยากซื้ออยู่เรื่อยๆไม่มีความอิ่มไม่มีวันพอแล้วจะทำให้เราต้องเหนื่อยกับการไปหาเงินหาทอง หามาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอใช้พอได้เงินมาปั๊บก็อยากจะใช้ทันทีอันนี้แหละคือประโยชน์รู้โทษจากการใช้เงินไปในทางที่ผิดกับในทางที่ถูกถ้าใช้เงินไปในทางที่ถูกคือใช้กับการทำบุญเพื่อซื้ออาหารให้กับจิตใจ<ๆ>ก็จะทำให้ใจของเรามีความสุขอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องดิ้นรน จะทำให้เราไม่ต้องไปหาเงินมามากมาแล้วจะทำให้เรามีเวลามาสร้างความสุขที่ดีกว่ามากกว่าจากการทำบุญความสุขที่ได้จากการทำบุญนี้เป็นความสุขระดับแรกความสุขระดับที่สองเราจะได้ก็คือการรักษาสิ่งโดยเฉพาะการรักษาสิลงแปเพราะว่าถ้าเรารักษาสิ่งแปได้ เราก็จะห้ามใจของเราไม่ให้ไปหาความสุขต่างๆผ่านทางร่างกายได้ก็จะทำให้เราอยู่วัดได้อยู่เป็นสุขได้ถ้าเราถือศีลแปดไม่ได้นี่เราจะอึดอัดเวลาที่เรามาอยู่วัดพออยู่ที่วัดนี้เราจะไม่สามารถหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ดังนั้นถ้าเรารักษาศีลแปดได้เราก็จะอยู่วัดได้ แล้วจะทำให้เรามานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ถ้าใจสงบเราก็จะได้ความสุขที่เต็มรอยเป็นความสุขที่สูงสุดเป็นความสุขที่จะทำให้เราเลิกใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆได้ทำให้เราไม่ต้องพึ่งร่างกายทำให้เราไม่ต้องกลัวกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกาย เรามีความสุขที่ดีกว่าเราไม่ต้องใช้ร่างกายถ้าเรารู้จักทาใจให้สงบดังนั้นเราควรมาหัดทำใจให้สงบกันมาหัดอยู่วาดกันมาถือศีลแปดกันแล้วก็มาฝึกควบคุมใจอย่าให้คิดใช้สติควบคุมใจให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปเพียงอย่างเดียวถ้าเรามีพุโทโธเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ พอไม่คิดเดี๋ยวใจก็นิ่งสงบล้วก็จะมีความสุขเราจะรู้ว่านี่แหละคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งต่างๆเพราะสิ่งต่างๆที่เราพึ่งพาอาศัยก็พึ่งได้บางเวลาบางเวลาก็พึ่งไม่ได้บางเวลาก็อยู่กับเราบางเวลาก็จากเราไปเวลาพึ่งไม่ได้เราก็จะทุกข์เราก็จะเดือดร้อน เราจึงเห็นคุณค่าของความสุขที่เราได้จากความสงบว่าเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของพวกเราเพราะถ้าเรารู้จักวิธีทำให้ใจของเราสงบได้แล้วเราจะสามารถทำไปได้เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเราจะไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเพราะเราไม่ต้องพึ่งเรื่องราวต่างๆมาให้ความสุขกับเรานั่นเองนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับ จากการที่เราได้มาวัดกันในวันพระเราจะได้มารู้จักวิธีดับความทุกข์ต่างๆแล้วรู้จักวิธีสร้างความสุขต่างๆให้เกิดขึ้นมาภายในใจเพียงแต่ว่าเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือนำเอาไปปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติการฟังเฉยๆก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกับเวลาที่เราไปถาม ทางคนนั้นทางทางเขาว่าทางที่จะไปสู่ตรงนั้นตรงนี้ไปอย่างไรพอเขาบอกเราแล้ ว, แ, ลวแต่เราก็ไม่ออกเดินทางไปเราก็จะไม่มีวันไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปได้แต่พอเราบอกเราถามเขาแล้วเขาบอกทางเราแล้ ว, ลวพอเราออกเดินทางไปเดี๋ยวเราก็ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการฉันใด การหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายการไปถึงพระนิพพานแดนที่มีแต่ความสุขอันยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพวกเรานำเอาคําสอนของพระพระเจ้ามาปฏิบัติกันเช่นแทนที่จะเอาเงินไปซื้อของไม่จำเป็นเราก็เอาเงินนี้ไปทำบุญแทนแทนที่จะทำบาปเราก็มารักษาศีลกัน แทนที่จะไปเที่ยวต า, าตามโรงระครการท่องสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเราก็มาอยู่วัดกันมาหัดรมสมาธิกันมาหัดฝึกสติกันมาหัดพุทธโธกันถ้าเรามาทำแล้วเดี๋ยวไม่นานเราก็จะได้เพราะคนที่เขาได้เขาก็เป็นเหมือนพวกเรามาก่อนเมื่อก่อนนี้เขาก็ทาไม่เป็นแต่พอเขาได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นาเอาไปปฏิบัต พอปฏิบัติแล้วเดี๋ยว ก, ก็ทำเป็นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเราทำกันได้ทุกคนเหมือนกับการขับรถตอนต้นเราก็ขับไม่เป็นแต่ถ้าเราอยากจะขับรถเราไปเรียนวิธีขับแล้วเราไปหัดขับเดี๋ยวไม่นานเราก็ขับเป็นกันทุกสิ่งทุกอย่างต้องเกิดจากการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเกิดจากการฝึกหัดถึงจะทาให้เกิดผลขึ้นมาได้ ฉันใดการที่พวกเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็ต้องเกิดจากการเรียนรู้วิธีจากพระพุทธเจ้าด้วยการฟังเทศฟังธรรมเมื่อฟังแล้วรู้วิธีแล้วว่าจะปฏิบัติอย่างไรเราก็นำไปหัดทากันพอหัดทาไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะเก่งขึ้นมาเองและเราก็จะสามารถทาแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทามา แล้วเราก็จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์และเราจะได้ไปพบกับพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายที่พระพระนิพพานนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่พวกเรามาวัดกันในวันพระงั้นขอให้พวกเราหมั่นมาวัดกันบ่อยๆอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งในวันพระถ้าวันพระไม่ตรงกับวันหยุดก็ให้ถือวันหยุดเป็นวันพระของเรา พอดีช่วงนี้วันพระมาตรงกับวันเสาร์อาทิตย์พอดีแต่ต่อไปวันพระก็จะเลื่อนไปเป็นวันจันทร์เป็นวันอังคารดังนั้นเราก็ต้องยึดวันหยุดทำงานของเราเป็นวันพระไม่ต้องไปรอวันพระที่เป็นวันจันทร์หรือวันอังคารเพราะว่าเราจะไม่สามารถมาวัดได้เพราะเป็นวันที่เราต้องไปทำงานกันดังนั้นเราจึงต้องมาปรับวันพระให้ตรงกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน คือปัจจุบันนี้เราหยุดทํางานในวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็ต้องกําหนดวันเสาร์วันอาทิตย์นี้เป็นวันพระของเราไม่เช่นนั้นเราจะไม่สามารถมาวันพระได้อย่างต่อเนื่อง mm hmm. ก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปพินิจพิจารณา mm hmm. ไปปฏิบัติเพื่อความสุข mm hmm. ความเจริญก้าวหน้าในธรรมที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไวเพียงเท่านี้ขอขุณพระศีะรัตนไตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันใน ว, วันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแก้วขล้าปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ